ขอความสุขความเจริญจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมก็มังนำเสนอจิตสูตรในสังยุตติกายสกาทวัดเป็นคำกราบทูลถามของเทวดาต่อพระพูมิพระภาาัคเจ้าก็ประกอบด้วยคำถามสามสี่ข้อด้วยกัน ว่นก่อนได้อธิบายขยายความในประเด็นแรกออกไปคือโลกอันอะไรย่อมนำไปกุจอทรงแสดงว่าโลกอันจิตย่อมนำไปประการต่อข้อที่สองถามว่าอันไรหนอย่อมเสื่อมสายไปรับสั่งว่า อันจิตย่อมเสื่สายไปตีการเสื่สายไปต้องคทำไาจิตที่เสื่สายไปเนี่ยออที่จริงจิตเนี่ยเขาเกิดขึ้นโดยลําพังไม่ได้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตอาจจะดีไม่ดีหรือกลางๆ ก, ก็เรียกว่ากุศลอกุศลหรืออภิญากฤต แต่ในที่นี้เนื่องจากพูดถึงในทางไม่ดีแล้วเทวดาเองก็ประสงค์คำตอบในทางที่เป็นปกติธรรมชาติของสัตว์โลกผลการที่โลกถูกจิตนำไปก็คือจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสนำไปสู่อำนาจของกิเลสด้วย ป, ประการต่างๆ แต่แน่นอนในแง่ของความจริงแล้วจิตมันก็ถูกปรุงด้วยกุศลก็มีอกุศลก็มีกลางๆก็มีในกรณีที่จิตถูกปรุงด้วยกุศลมันก็นําไปสู่ทางที่ ด, ดีอย่างตอนแรกที่บอกว่าเมื่อจิตผองใสก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุกติก็แสดงว่าจิตถูกปรุงด้วยสิ่งที่เป็นกุศล อันวยผลในจิตอยู่ในสภาพที่ผ่องใสก่อนจะดับเมื่อดับได้จิตที่ผ่องใสก็บังเกิดในสุคติแต่ว่ามันพูดง่ายพูดง่ายกว่าพูดถึงเจตสิกเพราะเจตสิกที่จะพูดยากเราก็ทํานองคล้ายๆกับพูดถึงทุกข์ กระเจนว่าที่จริงเกิดแก่ตายเนี่ยมันเป็นอาการเป็นอาการของสมุทัยตัวเหตุให้เกิดออความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยก็จริงๆก็คือสมุทัยแต่ว่าในที่บางแห่งก็ส่งแสดงทั้งกิเลส ท, ทั้งทุกข์ไว้ด้วยกันในนามว่าไฟอย่าที่ส่งแสดงในอธิตะปริยาาสูตร ถึงไฟกิเลสสามกองไฟทุกแปดกองไฟทุกแปกองก็ที่จริงก็คืออาการของสมุทัยเริ่มต้นโดยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความเกิดไฟคือความแก่ไฟคือความแก่คือความเจ็บคือความตายคือความโศกความรับรายรำพันความทุกข์ความเสียใจความข้อแข็งใจในแง่ของความเป็นจริงมันเป็นทุกข์สัตย์ แต่ว่าตัวทุกเองมันก็แผดเผาแต่ถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดแผลดเผาเราก็ตอบว่าปัญหาอุปทานคือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากแล้วก็จิตที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก่อให้เกิดเป็นความร้รอนเพราะในที่นี้จึงทรงแสดงก็แสดงว่าเทวดาที่ถามเนี่ยพื้นฐานฐานสติปัญญาไม่ค่อยสูง วนจึงรับสั่งตอบว่าอันจิตย่อมเสื่อยใสไปแต่ว่าจิตที่ทำหน้าที่เสือส่อยใส่ผักใสหรือขับใสเนี่ยมันเป็นจิตที่ถูกปรุงด้กิเลสก็ในที่นี้ก็เน้นไปที่ตัณหาหรือเน้นไปที่ราคะหรือเน้นไปที่โทสะหรือเน้นไปที่อะไรตา่างๆมาลองสังเกตว่า สังคมที่ถูกขับเคลื่อนไปสู่ความรุนแรงด้านต่างๆจนกลายเป็นปนัญหาเดย ก, กรรมก็แสดงว่าภายในใจของบุคคลมันถูกปรุงด้วยกิเลสอาจจะเป็นตัณห า, า จ, จะเป็นราคะอาจจะเป็นโทสะอาจจะเป็นริษยาอาจจะเป็นวิหิงสาก็ไม่รู้แหละแต่สรุปมากิเลส แต่ว่าเวลาเขาแสดงอาการมันก็พอบอกได้ว่านั่นเป็นอาการของอะไรแต่สังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่คืออยู่ๆมาแล้วรู้สึกเสียดายเราอยู่กับพระพุทธศาสนามาถึงสองพปีถ้านับสมัยพระโสนาปรุตระรามา แลบัประชานไทยไม่เคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาเทียงแต่ว่าจะเป็นเถรวาดหรือว่าเป็นมหายานก็เป็นช่งชวงๆไปเทรวาดอย่างปุ ก, กามเถรวาดดั้งเดิมเทรวาดจย่างลังกาวงหรือว่ามหายานแต่ก็สรุปว่าเป็นพุทธศาสนา คือแทนที่จะปล่อยให้กิเลสมันเสือกมสคยับสไปสู่ความรุนแรงมาตลอดแล้วก็มันถึงกับเป็นทางตันที่เกิดขึ้นภายในสังคมอ่าเบนีน่เราจะเห็นว่าจะมีการต่อสู้กันรุนแรงในด้านความคิดเห็นแต่ว่าจะยังไงก็ตามนะคือ มันจะรุนแรงทั้งนั้นถ้าเราไม่รีบประนีประนอมที่ต่างว่ามีคนกลุ่มหนึ่งตั้งใจเด็ดเดี่ยวจะไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญมันก็มีปัญหาตามมาอีกแหละและปัญหานั้นอาจจะมากกว่าเดิมแล้วก็นําไปสู่ปัญหาจะอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเพราะว่าสูตรของกิเลสเนี่ยมันเป็นหลักอยูอย่างหนึ่ง ว่าอกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดจะบังเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพูดมากี่ขึ้นเพราะจึงจึงส่งสอนให้ลดให้ละให้บรรเทาให้สงบให้ระงับให้ดับให้จางให้คลายก็แล้วแต่แต่สรุปว่าต้องลดความเข้มข้นของกิเลสลงไปแต่ความเข้มข้นของกิเลสไม่ลดเนี่ยมันมันจะอยู่ยากสังคมจะอยู่ยาก เวลนี้เราแสดงความยิ่งใหญ่ด้วยการตามใจกิเลสมาความกัจจักิเลสบงการแล้วเราก็แสดงพลังอำนาจด้ว ย, วยควาบงการของกิเลสเเราก็คิดว่าเราแน่เราเก่งนะมีตัณหาสั่งบ้างมีราคะสั่งบ้างมีโทสะสั่งบ้างมีโมหะสั่งบ้างมีริสยาสั่งบ้างมีวิหิงษาสั่งบ้างแล้วสังคนต่างเขาไม่รู้สึก มันก็เหมือนสงครามระหว่างพระญาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเล่ามานานแล้วนะฮะวถ้าเรามองแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความโกรธเรื่องของความโลภเรื่องของความริษยาเรื่องของความแข่งดีเรื่องของการเบียดเบียนเรื่องของการแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นเรากับพวกเราระราชบงทั้งสองนี้ปูกพันกันโดยสายเลือด มันไม่มีทางจะแยกจะแยกได้เลยเราก็ผูกพันกันมาตั้งแต่ตน้นเราจะบงสัตย์กยะโะกลิยะนี่ทุกวันก็อยางแต่งงานกันดูวมันก็ผูกพันกันทางสายเลือดผูกพันกันในการแต่งงานเป็นสามีพันยาเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นอะไรไม่รู้อรุงรังไปหมดเลยที่พระเจ้ารับสั่งว่าคนทั้งหลายไม่ได้คิด ว่าตัวเองกำลังประสบความพิบัติความเดือดร้อนความรุนแรงในทำกลางคนซึ่งขัดแย้งกันอยู่เป็นกันมากแล้วก็ไปคิดว่าการกระ ท, เทาเช่นนั้นเป็นความดีงามเป็นความถูกต้องเอ่อเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความคิดที่ผิดแต่มันแก้ยังไงก็แก้ยากเราเห็นว่าความคิดในระดับนี้ เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือนักปราศชาวอิสลามชาวเปอร์เซียอิรานนะฮะที่อากิมมัคยัมคือท่านเข้าถึงสารัธรของชีวิตอ่ะถ้านองพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความรุนแรงแล้วก็ชอบการเขียนฆ่าประหารประหารประสุวะ้ายกันแล้วก็ยกย่องชื่นชม กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่สามารถเขยนฆ่าทำลายล้างคนอื่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้จะพวกของตัวเองก็ถูกทุ้งติง้งถูกปราบปรามถูกด่าทอถูกขัดขวางถูกกำจัดก็ว่ากันไปแต่ตั้งข้อสังเกตว่ามหาโจรเที่ยวปล้นฆ่ามหาชนด่าอุบาทราทันป้นปราบป้อง มหาราชญาติพระผพระชนมหาราชลพ่อชมชะกาศราดเดกก้องเกียริกระ น, นันขันไหมคือในง่ของความขบขันเนี่ยมันหน้าขบขันเพราะอะไรเพราะว่าบาปเนี่ยไม่ว่าใครทํเนี่ยมันเป็นบาปเราไม่สามารถไปเสร็จบาปได้แล้วบุญไม่ว่าใครทํามันก็เป็นบุญ มันไม่ได้หมายความว่ากองทัพสามารถเขียนฆ่าใครได้แล้วก็เกิดบุญหรือคนอื่นเขียนฆ่าใครไม่ได้จะเป็นบาปมันไม่ใช่คือบาปตัวแก่แต่ว่านั่นคือสังคมเพราปัญหาว่าสังคมทักษะศีลธรรมเป็นหลักค้ามยันจิตใจเนี่ยมันอยู่ร่วมก็โดยปกติสุขได้ยากหาความสงบได้ยากเพราะนั้นคำว่าโลก อันจิตย่อมเสือกสายไปในที่นี้หมายถึงการถูกบังคับขับสเสือกสายไปด้วยกลุ่มของกิเลสทั้งหลายนะฮะก็แล้วแต่ล ะ, ะเราจะเห็นว่าความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราวันก่อนไปที่จังหวัดนครต่อกันสองครั้ง วันที่สิบสองเมษาไปทำบุญปุ ญ, ญาติยายส่งน้ำคนเฒ่าคนแก่วันที่สิบเจ็ดก็ไปอดิสถานพระบรมรูปไปเจ้าตากในรูปของนักบวชแล้วก็ไปได้ทราบข่าวเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับจะาตุคาม ไอเจตุคามเองเขาไม่มีปัญหาหรอกเป็นปัญหาที่คนถึงไปเกี่ยวข้องกับเจตุกคามตัวความโลภที่ไม่คํานึงอะไรเลยนี่ชัดมากไม่คํานึงแม้แต่บาปกรรมไม่คํานึงแม้แต่ศีลไม่คํานึงแม้แต่ความเป็นพระกวกลายเป็นเรื่องน่ากลัวทําให้นั่งมาในเครื่องบินมานั่งคิดว่าเออพูดเป็นเล่นไปไห ปรากฏการณ์จะุูขามรามเทพมันทำให้มันระชนในดีดคนหนึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนปัจจุบันเนี่ยเสียคนเสียพระไปโดยไม่ได้รู้ตัวเพราะความโลภมันเป็นอันตรายของทุกๆเรื่องและเราเห็นอาการของความโลภชัด เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวแตนที่จะไม่อยากเกี่ยวข้องก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องโดยแล้วมันมันยุ่งเกินไปเพราะอะไรเพราะจิตมันถูกความโลภปรุงแต่งแล้วมันเสื่อกสายไปคนหนึ่งได้มากคนหนึ่งต้องการมากกว่าคนหนึ่งมากกว่าคนหนึ่งมากกว่ามากที่สุดเอา้าเือนได้มากเกินไปก็สู้คนไม่ได้เลยปลน้น ร่นบางทีก็ตายบางทีก็ถูกจับปัาก็ตามมาเป็นแถวไปเลยผลปรากฏการณ์เหล่านี้ที่จริงเราเห็นได้ว่ามันจิตมันถูกครอบงําด้วยอํานาจของโลภาราคาโทสะโมหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโลภะกับโมหะเอาแหละสมมุติว่าจะถุกข้ามเ ข, ขาขลังจริงแต่ทําไมจะต้องจะต้องตั้งหลายองค์น่ะ จะตุคามกี่องกี่อ ง, ก, องก็คือองค์เดียวเหมือนกับพระอุตรูปอะจะกี่องกี่องก็คือองค์เดียวทําไมจะต้องสะสมเป็นรุ่นรุ่นแล้วก็หลายรูปหลายแบบหลายสนะีเล่นกันอุตลุดไปเลยเราลงคุณต้องการอะไรคุณต้องการขวัญกําลังใจหรือคุณต้องการเพื่อจะไปหากําไรต่อ หรือไปเก็บบวยและปั่นราคาแล้วสอบเองหาประโยชน์เพื่อตัวเองอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวจิตมันเสื่อใสแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไรอย่าลืมมันนี้คือจิตตสูตรหรือประสูติบ้าด้วยจิต พันทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาสรุปจิตว่าโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิตหมายความว่าอะไรก็ตามแน้่มันหมุนไปสายไปตามอานาจของจิตศาสใดที่จิตเรายังขาดการควบคุมก็ก็จะถูกกิเลสบังคับให้สายไปจนบางครั้งมางคราวเราก็หา หาจุดจบไม่ได้หาให้ความตั้งมั่นแก่จิตไม่ได้พราะหลักการที่ทรงแสดงไว้ถึงกล่าวไว้ในวันก่อนก็เป็นการย้ำเตือนไว้ในสรดคุตการนิกายสุการนิปะว่าผู้ประพฤติไปตามอำนาจจิตในย่อมลำบากเมื่อก็ทำให้นึกถึง พระโพธิสัตว์ของเรากับพระเทว ท, ท, เทัตปตมเุท่เริ่มอาฆาตพยาบาทเพันเป็นเรื่องขำไม่ออกคือต่างคนต่างเป็นพ่อค้าลูกปัดแล้วก็มาจากเมืองโุรยะเหมือนกันเขาชื่อเขาก็เรียกตามชื่อเหมือเดี๋ยวก็พ่อค้าจากโุรยา หรือพอค้าสุริยะไปมันก็คงจะกรอนคำนะคงจะมีชื่อเฉพาะพอค้าที่การต่อมาเป็นเทวทัตเนี่ยก็ไปขายลูกปัดในบ้านของอดีตเศรษฐีแต่ว่ายังเหลือหลานกับยายแล้วก็ครอบครัวยักษ์จนลงหลานอยากได้ลูกปัดยายก็บอกว่าไม่มีสตางค์ซื้อ หลานก็บอกว่าเอาของเก่ามาแลกก็ได้ยายก็ไม่รู้แลละไปหยิบไปถาดมาใบหนึ่งก็มาจะแลกเพราะข้าลูกปัดพอเห็นเอาเล็บมาขีดดูกลายเป็นทองคำเป็นขาดใช่ไหมทองคำกดโลภอยากได้ฟรีเลยก็ทันทีไม่ใส่ใจไม่สนใจบอกว่า ถาดของยายเนี่ยไม่มีราคาค่างวดอะไรหรอกพระงันก็แลกให้ไม่ได้เพราะว่าราคาลูกปัดมันแพงแล้วก็รีบไปเลยออนบอลยังไงก็ไม่หยอกโดยตั้งใจเอาไว้ว่าประเดี๋ยวจะกลับมาและจะต่อรองคือจะให้ลูกปัดน้อยที่สุดแต่จะเอาถาดแทนทั้งใบ เมื่อแกเลยไปแล้วพ่อค้าคนที่สองซึ่งต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาถึงเด็กก็อยากได้ลูกปัดอีกยายก็กลัวจะถูกต่อว่าอีกเด็กแกก็มีข้อสังเกตนาบอกกับยายฟังดูที่เสียงคนนี้เขาสุภาพนะเขาเรียบร้อยนะคงจะไม่เหมือนคนเดิมหรอกยายก็ตามใจหลาดก็เลยเอาถาดมา พอคาพอเห็นถาดพอขูดดูบอกโอ้ยายถาดของยายเนี่ยผมไม่มีสมบัติจะมาแลกหรอกพราราคามันเกินสมบัติที่ผมมีทั้งหมดเพราะมันเป็นถาดทองคํายายก็เห็นว่าเออคนนี้เขาซื่อสัตย์สุจริตจริงใจผู้จ่าอ่อนหวานแล้วก็ไม่พลิกแพลงก็บอกเอาเถอะคุณจะให้อะไรก็ให้มา ในฐานะคนคุณเป็นคนดีเนี่ยจังก็ให้ถาดนี้คุณแห้ะกันพอคาพระโพธิสัตว์ก็ให้ทั้งหมดฮนะขอค่าผานะเดินทางกลับนิดเดียวยายก็ชื่นชมยินดีเพระูปัดหมดทางทางรถนะนะก็กระดีก็เปิดร้านขายได้ต่อแหละทีนี้พอคา คนหลังเนี่ยแกไม่รู้อะไรเลยว่ามีคนก่อนมาซื้อมาต่อมาเกี่ยงอะไรเนี่ยแกไม่รู้ก็ขายของหมดแล้วก็กลับบ้านเอาถาดห่อผ้าก็สะพายบาก็กลับบ้านข้ามคลองไปยังไม่ข้ามแม่น้ำไปยังไม่เคยถึงยังไม่ถึงฝั่งโนนอีกคนหนึ่งก็กลับมามาเพื่อจะต่อรองยายก็ต่อว่าเอาแรก แล้วก็บอกว่าให้พ่อค้าที่ซื้อสัตว์สืบติดไปแล้วแกโกรธพ่อค้านะฮะคือทั้งๆ ท, ที่พ่อค้าแกไม่รู้เรื่องเลยไล่ตามไปด้วยความแค้นมากขับแค้นมากแล้วถ้าทันก็อาจจะถึงฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้แต่พอดีไม่ทันแลแ้วตะโกนเรียกเนี่ยคนนั้นเขาไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้หันมายิ่งโกรธใหญ่เลย กอบทรายขึ้นมากอบหนึ่งนะฮะสองมือก็ไม่ใช่เบานนะแล้วทิฏฐานว่าขอจองเวรกับพ่อค้าคนนี้เท่ากับจำนวนเมล็ดทรายทุกพวกทุกชาติเท่าจำนวนเมล็ดทรายพราะพระโพธิสัตว์กับพระเทวทัตเนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่เคยจองเวรเทวทัตเทวทัตก็จองเวรทำยังไงพระโพธิสัตว์ไม่เคยจอง เราเห็นชัดเจนนะฮะวันนี้คือการประพฤติไปตามหน้าจิตแล้วในสุดตัวเองก็ลำบากลำบากจนบ่ะริกกับหน้ามือเป็นหลังมือเท ว, วทัตตกนรกอเวจีมานรกพระโพธิสัตว์กลายเป็นพระอราหันต์สมาสมุทติเจ้ามีคนเคารพนับถือสืบต่อกันมาถึง 2,500 กว่าปี เกือบ 2,600 ปีแล้วนะฮะคือเราไม่ได้นับไอ้45ปีที่ทรงกระชนอยู่ต้องบวกดูตอนนี้50บวก45มันก็95ละก็หมายคาวมามมันอีก5ปีก็ครบ600ลว 2,600 ปีนันแสดงให้เห็นว่าถ้าพ่อค้าโพธิสัตว์ น, นี้ไม่ประพฤติตาวนาจิตไม่ทำอะไรไปรตามนาจิตพอโกรธพอลก แล้วก็ไหลไปตามโลภตามโกรธตามวิทยาตามแข็งดีตามอาฆาตพยาบาทมันก็ต่ําลงไปได้ด้วยจิตใจก็ตกต่ําลงไปได้เลยแล้วก็จบลงอย่างที่เราทราบกันท่นท่าก็บอกว่าบุคคลพึงฉลาดในกระบวนของจิตคือระลึกรู้ดูจิตจิตคิดยังไง แต่ถ้าทําไปจะเป็นยังไงพูดไปจะเป็นยังไงถ้าหยุดไว้จะเป็นยังไงเพราะจิตมันต้องข่มได้มันต้องห้ามได้มันต้องปิดกั้นได้มันต้องประคองได้มันต้องยกได้แล้วก็ต้องสงบได้ต้องสํารวมได้ต้องดับได้ไแล้วแต่ แ, แต่กรณีของอารมณ์ในกรณีเช่นนี้ไม่ได้หมายความมรรหมดกิเลสแต่เราก็ใช้สติ ลึกรู้เท่าทันสภาพของจิ ต, ตจิตคิดอย่างนี้นะถ้ากืนทําไปอย่างนี้แหละมันจะแย่เพราะเราสังเกตว่าศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนาเนี่ยมันเกิดจากระบบการคิดซึ่งยกระดับจิตขึ้นเหนือความเป็นสั ต, ตว์เพราะควาเป็นสัตว์มันจะมีลักษณะของมิกสัญญีหรือมองอีฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ที่ตัวเองสามารถล่ล่าแล้วก็เป็นวีรกรรมในการล่า เฉพาะหนังสือฝรั่งเขาเขียนก็บอกว่าการที่เสือมันพอเห็นกวางแล้วมันไล่สุดจิตสุดใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักสุดๆจนไม่รู้จะทำยังไงต้องการจะเอากวางเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวของตัวเองเป็นความรักมากๆฝรั่งก็คิดแปลกดอย่างเงี้ยก็เป็นความคิดนะแต่ว่าเราถือว่าคิดแปลกดิ ก็สังเกตจากอาการกิริยาไปถึงก็กระโจนเขากัดเลยนะกัดก็ไม่ใช่โกรธนะเราจะเห็นว่าจริงมันกัดเพราะโลภเพื่อยากกินอยากได้อยากกินอยากเอาเป็นอาหารเบื้องการฉลาดในกระบวนการของจิตเป็นเรื่องสําคัญแตาถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิต แล้วก็ปล่อยให้จิตมันดิ้นไปเรื่อยเรื่อยเราก็เดือดร้อนจนรับสั่งว่าให้ประคองจิตให้รักษาจิตเหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันลองนึกภาพดูนะเราถืออะไรก็ตามที่มันพัชนามันเต็มอะแล้วถือโดยไม่กระฉอกโอ้ต้องฝึกเยอะอย่างคล้ายๆพนัก ง, งานรถไฟ ก็เก่งกว่าพนัก ง, งานเครื่องบินรถไฟมันโยกโครงมากกว่าเครื่องบินมันไม่ค่อยโครงอะไรเท่าการถือภาชนะเราจะเห็นว่าเครื่องบินมันก็บทภัยมากกว่าเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ถือเดินทีเดีเดยวจะมีที่ใส่มารถไฟในวางบนแขนยาวเหยียดเลยเขาเดินได้ก็แสดงว่าสติเขาดีก็ฝึกมันดี นั้นท่านก็บอกว่าจงรักษาจิตของตนแล้วก็ผู้มีปัญญาในพึงรักษาจิตจนถึงกับบาปเกิดจากอารมณ์ใดๆถึงห้ามจิตจากอารมณ์นั้นๆคือไม่ปล่อยให้จิตมันมันเสือกใส่มันขับใส่เพราะว่าการตกอยู่ในอำนาจของจิตมันก็อยู่ที่จิตเป็นอย่างไง จิตเป็นกุศลก็ดีแต่ว่าในที่นี้พูดถึงจิตที่เป็นอกุศลเน้นที่จิตทึ่เป็นอกุศลเพราะว่าพูด่ึงชาวโลกทั่วไปหรือถ้าเราดูข่าวคราวดูข่าวหนังสือพิมพ์คือถ้าเราลองสังเกตนะลองสังเกตว่ามันซ้ำๆ ซ, ซ, ซากๆมากที่พระพุทธเจ้าสรงใช้คำว่าดุขาชาติปุรนภุดัง เกิดบ่อยๆก็เป็นทุกรําไปมันซ้ำซากประชีวิตสมมติว่าเราเอาหนังสือเนืในใหญ่ของฝรั่งก็ได้ของของคนในชาติทั้งหลายเนี่ยเรามาอ่านมาอ่านแล้วมองไปถึงพวกสมุทัยกับตัวทุกข์ไอ้สมุทัยกับมรณนะเราจะเห็นว่าที่จริงมันคืออาการเดียวกันและส่วนใหญ่จะเป็นอาการของสมุทัยเพราะสังคมมันจึงมากด้วยทุกข์ มีการเบียดเบียนเขีนข่าวประทุสลายกันทำลายล้างกันมีความหวาดผีตกกังวลหรือทำยังไงว่าเราเอาขนาดสวัสดิการกับสวัสดิภาพเอาสวัสดิภาพก่อนให้เกิดสวัสดิภาพก่อนแล้วสังก็ ม, มีน้ำใจต่อกันระดับสวัสดิการโอบออกมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสงเคราะ์กันเนะมื่ออีกฝ่ายหนึ่งประสบความเดือดร้อนก็มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ทำได้ขนาดนี้มันก็ดีแล้วนี่ก็เป็นพระสูตรจิตสูตรคือจิตสูตรที่พูดตัวจิตฮะและทีนี้มาถึงตัณหาสูตรก็หมายความว่าจริงๆก็คือพูดถึงตัณหาที่ปรุงจิตเพราะว่าจิตแก่เกิดขึ้นโดยลำพังไม่ได้และการกล้องจิตว่าเรียก เอกุปปะดนิโรธาจะเอกุปาคือเกิดร่วมกันกับเจตสิกแล้วก็ดับร่วมกันแล้วก็มีอารมณ์เดียวกันทีนี้การพูดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใครฟังบางครั้งเราพุทธเจ้าเจ้ากิเลสขึ้นมาบางครั้งเจา้าธรรมะขึ้นม า, มาบางครั้งเจ้าจิตขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าจิตก็ดีกิเลสก็ดีธรรมะก็ดีที่จิงพูดเรื่องเดียวกัน เพราะทั้งหมดมันปรากฏที่จิตให้เราสังเกตว่าทุกจริงจริงมันก็อยู่ที่จิตสมุทัยเนี่ยก็อยู่ที่จิตที่ชัดเจนมากในโรดเนี่ยที่จิตล้วนๆแล้วก็มรรคก็อยู่ที่จิตมัก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ที่ปรุงจิตดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นสุ ข, ขบ้างอยู่ถึงหลุดพ้นไปเลยก็ เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเจตสิก ค, คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตเพราะงั้นคำถามจะเหมือนกันแต่คำตอบจะต่างกันต่างกันในเชิงพยัญชนะแต่จะเหมือนกันในเชิงที่เป็นเนื้อหาเทวดาก็กราบทูลถามว่าโลกอันอะไรหนอย่อมนำไปรงแสดงว่าโลกอันตันหาย่อมนำไปประตรกรบอกว่าโลกอันจิตจ่อมนไป แล้วถามต่อไปว่าอันอะไรหนอย่อมสืกสายไปอันตันหาย่อมสืกสายไปพระสุกรบอกว่าอันจิตย่อมสืกสายไปก็ต่อไปถามว่าโลกทั้งหมดเป็นไปตามอานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไรบอกว่าโลกทั้งหมดเป็นไปตามอานาจของธรรมอันหนึ่งคือตันหา ประโยก่อนบอกว่าพระสูตรก่อนบอกว่าโลกทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคือคือจิตไอเ น, นี้ยมันมีปัญหาคือบางครั้งสมมติว่าคนหนึ่งอ่านพระสูตรที่สองมาคนหนึ่งอ่านพระสูตรที่สามมาแล้วทำให้เข้าใจเนี่ยมันก็จะเถียงกันคล้ายๆกับการามาสูตรนะครการามาสูตรที่จริงนะ่ะติดกันเลยคือสาราสูตร เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่หลานชายของนางวิสาขาเหมือนกันทุกครับยกเว้นแต่ตัวคนคนหนึ่งเรียกว่ากาลามะคนหนึ่งเรียกว่าสารหะและท่านนั้นเองแต่ไม่มีใครที่ไปอ้างสาระสุดก็มาอ้างเอาเฉพาะกาลามสุดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออ่านไม่จบ มายความว่าอ่านการามพระสูตรนั่นแหละแต่ไม่ใช่อ่านตัวเทจว็จริงๆกับตัวพระสูตรจริงๆแล้วก็ไม่ได้ติดตามไปดูว่าตัวนี้อัตถกาถาอธิบายไปยังไงเพราะการศึกษาคำพีระดับคำภีเนี่ยเราต้องอ่านทั้งตัวพระสูตรและตัวอัตถกาถาเป็นอย่างน้อยนะฮะถ้าต่อไปดีกาโนดีกาโยชานายันถีปรกรณ์พิเศษะอะไรได้ก็ยิ่งดีแต่ว่าเราก็คงไม่มีเวลาไป อกให้ลึกและกระจายเต็มพื้นที่อย่างนั้นหรอเพราะว่าพระสศวิดกมมกว้างใหญ่ไปศาลมากแต่ว่าถ้าเราอ่านเฉพาะตอนมันก็จะเกิดความกระจงเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเหมือนกระทุกกับสมุทัยนะบางทีแสดงปนกันไปบางทีแยกเดี่ยวมา บางทีก็เน้นที่ทุกข์บางทีก็เน้นที่สมุทัยบางทีก็เน้นที่มรรคบางทีก็เน้นที่นิโรธก็แล้วแต่เพราะว่าในภาคปฏิบัตินั้นเขาจะลงกันเลยอริยศัสตร์นั้นจะเริ่มที่ไหนไม่แปลกอะไรเลยเริ่มที่ทุกข์สมมติว่าเราพิจารณาคำว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รุ่งพ้นความแก่ไปได้เนี่ยตัวความแก่มันก็เป็นทุกข์ัสัต ปัญญาพิจนามันก็เป็นมรรคสัตว์ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ขึ้นมันก็เป็นอาการของนิโรธสัตว์ทำให้สมุทัยมันลดความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และสังขารก็จะลดลงไปเห็นไหมที่จริงเรา ก, ก็เริ่มดีที่ทุกข์สัตว์หรือบางครั้งบางคราวไปศึกษาโทษของกิเลสอย่างในกรณี น, นี้ศึกษาโทษของตัณหา ตัณหาในฐานะที่นำจิตไปตัณหาในฐานะที่เสือมใสจิตไปตัณหาในฐานะที่แ ก, กํากลับควบคุมจิตไว้ในอำนาจของตัวเองทีนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นปริยายที่อนุโลมตามพื้นฐานของผู้ฟังคำตรงนี้เราอาจจะไปเจอคำว่าโลภะอาจจะเจอคำมโทสะอาจจะเจอคำวราคะอาจจะเกิดคำามริษยา อาจจะเกิดคำว่อาอารติอะไรตัยโยโล ย, ยกิเลสไม่แปลกอะไรเลยเป็นเรื่องเดียวกันเ<ม>พียงแต่ว่าเวลาตอนพระพุทธเจ้าแสดงคราวนั้นวุธิภาวะของคนฟังคนนั้นเน่ยจะอยู่ระดับนั้นน่ะมัก็เหมาะสมำสาหรับท่านคนนั้นแต่ตอนนี้พอเราเอามาเอามาศึกษาในสมัยของเรา เราที่จริงวุฒิภาวะด้านลึกซึ้งในธรรมะนี่เราสู้ทันตั้งแต่อดีตไม่ได้เราจะไปตัดสินอง่ายๆนี่ไม่ได้มันก็ต้องอ่านคือทาให้เห็นอย่างหนึ่ ง, งว่าสังคมเราเนี่ยเราขาดการสารเสวนาเรื่องธรรมะฟังนักวิชาการที่เขาถือเขออยายกย่องหนังสือพิมพ์ไปถามตลอดเลย เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะถามคนเรานี้ตลอดเรื่องอื่นเนี่ยบางเรื่องเราก็ฟังพอรู้นะฮะบางเรื่องเราก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องในชาวบ้านแต่พอเรื่องศาสนาที่ท่านแสดงถึงความเป็นนักบาร์ดของท่านเนี่ยแต่พอเราฟังไอ้บางคนเนี่ยมันแสดงไม่เคยอ่านอะ่ะไม่เข้าใจไม่เคยศึกษาไม่ต้องพูดปฏิบัติคือไม่เคยศึกษามา แล้วไม่อาจจะได้ระดับระดับได้ยินหรือได้อ่านแต่ว่าระดับคิดเนี่ยยังไม่ผ่านไม่ผ่านปัญญาระดับคิดเพราะว่ามองยังไม่เห็นเป็นระบบถ้าสสท่านมองเห็นเป็นระบบคําว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติมันเป็นมาดั้งเดิมโบราณโลกเลยแต่มันเป็น สิ่งที่พะ น, นึกอยู่ในตัวเพราะว่าศาสการแสดงตัวของศาสนธรรมแสดงที่จิตของศาสนาบุคคลแต่ทีนี้เมื่อเราฝึกคนให้อยู่ในศาสนธรรมได้ด้วยนิติประเพณีโดยขนดธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจะรีตแบบแผนในสมัยโบราณมันทําได้เพราะเขาใช้อันนี้เป็นเกณฑ์แต่ปัจจุบันมาเป็นนิติรัฐ อะไรมันต้องอ้างกฎหมายได้กฎหมายประจัติไว้ยังไงเพราะอ้างกฎหมายเนี่ยมันจะนำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคุณภาพของประชากรแล้วก็บังคับได้กฎหมายบังคับไว้ศาสนาพุทธศาสนาประจำชาติคุณเป็นชนชาติไทยต้องรู้ประพฤติศาสรสนาต้องปฏิบัติตามธรรมมาในศาสนา แราต้องมีคุณธรรมทางศาสนาอย่างน้อยหนึ่งข้อเอาอะไรก็ว่ากันเพราะว่าธรรมะที่มันมีเนี่ยพอมีแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นกระบวนการมันธรรมะอย่างอื่นมันจะเกิดตามมาเยอะเลยเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบสองตุลายี่สบสองเมษายนนี่นะ ไ่บรรยายถวายความรู้พระนอกาที um <cul> <ate> 哈哈哈่บวชถวายพระราชกุศลเดียพระบาทสมเด็จเป็นยอดอยู่หัวก็มีสามเณรอยู่ด้วยแล้วก็มีญาติโยมมาสมทบฟังอยู่ด้วยพูดเรื่องบวชนี้ดีแหละพูดไปพูดมาปรากฏว่าลากกันไปเกือบสามชั่วโมงก็มีประเด็นเยอะพอเปิดโอกาสแล้ท่านถามเนี่ย พ อ, อเปิดโอกาสแล้วท่านถามปัญหามันเยอะมากถามกันกว่าจะตอบหมดเนี่ยก็กินเวลาเข้าไปก็เกือบเกือบสีทุ่งครึ่งแต่ที่เราตื่นเต้นก็คือว่าคนตาใสแล้วก็ไม่มีใครหลับเลยมันตื่นตัวตลอดระยะเวลาเลยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่านานๆจะเจอ ก็คนคนยุคนี้สามารถาบวชมาสองสามวันแล้วเขาฟังกวางการบรรยายธรรมะได้ถึงร่วมสามชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาปฏิว่าเก่งที่เด็กนั้นเพราะอยไรยเพราะว่าใจมันนำไปใจที่ศรัทธาเลื่อมใสไข้เรียนไข้รู้ไข่ทำความเข้าใจฟังไปคิดไปแล้วก็เห็นตามที่มีการอธิบายชี้นำ เพราะการอธิบายลักษณะนั้นเราจะต้องมองหมดเลยอะไรพอเป็นตัวอย่างได้นิทานได้แล้วก็ยกตัวอย่างซึ่งใกล้ตัวเขาที่สุดแล้วพูดได้สั้นที่สุดหรือไม่ไปเล่านิทานยาวๆแต่ว่าเอาเรื่องที่เขารู้แล้วอะมามองในมิติของธรรมะและอันนี้ก็ถือจริงจิตได้นำไป แล้วก็ในขณะเดียวกันศรัทธานำไปปัญญานำไปสตินำไปทั้งหมดมันก็ทุกตลอดระยะเวลาที่คนอยู่ตรงนั้นตอนจะกรับเนี่ยมีโยมมากซิปก็เป็นคนหนุ่มสาวว่าทำยังไงจะนิมนต์มาอีกแะไรยงก็มีรายการอยู่รายการนี่เต็มนะรายการนี่เต็มแล้วแต่แสดงให้เห็นว่า คนเรานี้มีพลังศรัทธาในศาสนาแล้วก็มีปัญญาพิจารณาฉินเข้าใจแล้วก็มองเห็นธรรมะอยู่ที่ใจตัวเองเพราะจริงๆธรรมะก็อยู่ที่ใจเวื่ในการนําไปของของตัณหาเนี่ยการนํำก็ธรรมะมันก็คือนําเหมือนกันคำตรงเนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกุศลก็ได้อม่กุศลก็ได้หรือวนเป็นกลางๆในตัวจิตทีเดียวเองก็ได้ ซึ่งผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยต้องเข้าใจการเรียนธรรมะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดถ้าเรามีการสนทนามีการสอบถามมีการซักถามกันโดยความสนใจด้วยความใคร่เรียนใคร่รู้จริงๆมันอะไรมัจะดีขึ้นแต่มาเองบวชมาห้าสิบกว่าปีแล้ว มันก็มีความรู้สึกกับว่าพระเรานี่สนใจที่จะซักถามเรื่องธรรมะน้อยมากแต่ชาวบ้านยังซักถามมากกว่าที่เห็นว่าท่านสนใจมากเนี่ยก็คือในกรณีเช่นว่าอบรมพระธรรมทูตพอตอนทูตนี่จะถามปัญหาเป็นตั้งๆหละนะแล้วก็นักเุยแผ่ นาเผยแพร่ก็ธรรมทูตในต่างกันนะฮะนายเผยแพร่เนี่ยมันเป็นพวกอาสาสมัครเพื่อจะศึกษาเรื่องเผยแพร่เดี๋ยาธรรมทูตที่ยิ่งก็ไปทํางานเผยแพร่เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ทางคณะสงฆ์เขาเกณฑ์มาหรือว่าอบรมพวกเจ้าคณะประสังการติการแต่ว่าจะไม่เหมือนกับพระนักเผยแพร่และก็ธรรมทู แต่จริงแล้วก็บรร ม, มควรจะมีการสนทนามีการซักถามแล้วก็อ้าอิงนะฮะไม่ใช่พูดผมมีความเห็นว่าผมเข้าใจว่าผมถือว่าผมเชื่อว่าผมสารนิฐานว่าผมมีความรู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ได้มันหลวมมันไม่มีน้าหนักตรงนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตอีกทีเนี่ยมันเป็นทางทุกขสัตย์ ทางสมุทัยศาสตร์ทางนิโรธศัตร์แล้วก็ทางมรรคศัสตร์แต่ว่าเป็นการแสดงภาพด้านทุกศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราลดกระแสของตันหาโลกความทุกข์ก็ลดลงหมายความว่าความสุข ก, ก็เพิ่มขึน้นกิจธรรมก็เพิ่มขึน้นแต่ จ, จิตมันจะตกไปสู่กระแสของมรรคเพิ่มขึน้น แต่ในภาคปฏิบัติในที่จริงไม่แปลกตัวการปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าธรรมะจะเพิ่มขึ้นกิเลสจะลดลงความสุขจะเพิ่มขึ้นความทุกข์จะลดลงอันนี้ก็คือสูตรแหละจะลงมาสูตรเป็นอย่างนี้ตลอดนี่ก็เป็นประสูตรสั้นๆเป็นการกราบทูลถามแล้วก็ถามข้อความกี่ตัวอัวกษรพรเจ้าก็ตอบท่า น, น ตอบแล้วเทวดาหเหล่านั้นก็เข้าใจผนประสู์ในสังยุตติกายเนี่ยจะจะไม่ยาวคือประสูรเหล่านี้จะอยู่ไม่ถึงหน้ากระดาษข้อความก็สามสีบ่บรรทัดแต่ว่ามันไปครอบคลุมเนื้อหาสาระบปเยอะมากคือแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ย ยกขึ้นเป็นอุเทศในการแสดงธรรมก็ได้เป็นกัรเนี่ยนะให้เรียกว่ากันละหนึ่งชั่วโมงในเทศได้สบายแต่ยังไม่ละเอียดครัคือที่จริงถ้าจะต้องการเรียนอย่างสมมุติว่าเรียนนักธรรมยันตรีเนี่ยมันก็เรียนกันทีละ บ, บทเลยแล้วเพื่อให้มองภาพ ร, มรวมๆให้เห็นเข้าใจทั้งอดีตปัจจุบันแล้วอนาคต แล้มองจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานมามธรรมเอาตอนนี้มันเป็นนมามธรรมมองมอ ง, มองไปหารูปธรรมดูยัหลักการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท้งสอนให้รู้โดยวิธีการต่างๆท้งอยู่ให้เห็นพุทธลีลาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการสะท้อนกุศลธรรมที่สมบูรณ์มากเป็นความสงบเย็นแล้วทรง ครอมพระชนมาชีพอยู่ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าพันษาเพราะเห็นพระองค์เมื่อไรก็ศรัทธาเริ่มใสเหมือ น, น, นไม่ว่าคนนั้นจะคิดอะไรอย่างไรมาก่อนก็ตามแต่ว่าพอเห็นแล้วก็จะมีความรู้สึกที่สำคัญอย่างยิ่งคือส่งเย็นให้สัมผัสมันทำให้คนเห็นว่าผลจากธรรมะปฏิบัติอำนวยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสุขขายาคือร่มเงาที่สงบสุข มีความยึกเย็นคนก็จะเกิดชั้นเท่าสาหะที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าโดยเสด็จร อ, อยุคนบาทของพระองค์เพื่อจะสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าสงบเย็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเย็นแล้วก็บรรลุอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุแน่นอนเป็นเรื่องทุกคนต้องความต้องใช้ความพยายามนั่นนั้นต้องฟังเท่าไหร่ เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความจะเริน ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี